จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบพฤศจิกายนพุทธศักราช5 5งเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นคําสอนที่ประเสริฐเป็นความรู้ที่ดีกว่าสูงกว่าความรู้ทั้งหลายในโลกนี้เพราะความรู้ทั้งหลายในโลกนี้นั้นไม่ได้เป็นความรู้ที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้เป็นความรู้แบบ ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือถึงแม้จะเรียนจบระดับปริญญาตรีโทเอกแต่ก็ยังไม่รู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจหรือป้องกันความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่ความรู้ทางธรรม ความรู้ของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้ที่สามารถป้องกันความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่ให้เกิดขึ้นได้สามารถดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปได้ความรู้ทางธรรมจึงเป็นความรู้ที่เรียกว่าโล ก, กุตระแปลว่าเหนือโลก เนือโลกของความทุกนี้เอผู้ที่ยังไม่มีความรู้ทางธรรมก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่ยังตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ของทางโลกแต่ผู้ที่มีความรู้ทางธรรมแล้วจะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ทางโลกได้จะไม่ทุกข์กับ เหตุการ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นหน้าที่ของชาวพุทธเวลามาวัดก็คือมาเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรมเปลี่ยนเนือนกับการไปโรงเรียนถ้าไปโรงเรียนแล้วไม่เข้าห้องเรียนไม่ฟังครูสอนหนังสือ ก็เหมือนกับไม่ได้ไปโรงเรียนไปไม่ถึงโรงเรียนมาวัดถ้ามาแล้วไม่ฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงวัดเพราะวัดที่แท้จริงก็คือความรู้นี่เองความรู้นี้เป็นแก่นของวัดเป็นแก่นของาศาสนาส่วนการประกอบพิธีกรรมต่างๆ นี้เป็นเปลือกของศาสนาเช่นการจุดธูปเทียนดอกมถวายดอกไม้รูชาทำทำพิธีสวดทำพิธีอะไรต่างๆยังไม่ถือว่าเป็นแก่งของพระศาสนายังเข้าไม่ถึงพระศาสนายังไม่รู้ว่าพระศาสนานี้สอนอะไร จึงไม่สามารถที่จะยกตนให้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ต่อให้กราบาพระทุกวันถวายดอกไม้ทุกเทียนทุกวันทําพิธีสวดต่างๆทุกวันก็จะยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ต้องศึกษาพราะธรรมคำสอน แล้วปฏิบัติตามเท่านั้นถึงจะทำให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆหมดไปจากใจได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการฟังเทศฟังธรรมต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราให้ความสำคัญและเราได้ศึกษาแล้ว เราจะได้รู้จักวิธียกตัวเราเองให้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้วิชาทางธรรมนี้ก็มีอยู่7ดข้อใหญ่ๆด้วยกันที่เราควรจะศึกษาควรจะรู้กันข้อที่หนึ่งก็คือให้รู้เหตุข้อที่สองให้รู้ผลข้อที่สให้รู้ตน ข้อที่สให้รู้บุคคลข้อที่หให้รู้สังคมข้อที่6ให้รู้กาลเทศะและข้อที่7ให้รู้ประมาณนี่คือสิ่งที่เราควรศึกษาควรรู้กันเพราะถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติตัวเราเองให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ให้เราไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ความรู้ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคือรู้เหตุรู้ผลข้อที่หนึ่งนี้เป็นต้นข้อที่สองเป็นปลายข้อที่หนึ่งเป็นตัวที่จะทาให้เกิดข้อที่สองตามมาเหตุเป็นต้นผลเป็นปลายพวกเราทุกคนต้องการผลกัน ผลอะไรที่เราต้องการก็คือความสุขความเจริญความปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจปราศจากความเสื่อมต่างๆแต่การที่เราจะสุขหรือจะจะสุขจ ะ, จ, ะจะเจริญจะทุกข์หรือจะเสื่อมนี้ไม่ได้อยู่ที่ความปรารถนาของเราความปรารถนาของเรานี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความเจริญ หรือของความเสื่อมหรือการอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราสุขให้เราเจริญหรเหตุที่จะทำให้เราสุขให้เราเจริญหรือทำให้เราทุกข์ให้เราเสื่อมเสียก็คือการกระทำของเราเองที่เรียกว่ากรรมคําว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทำ การกระทำนี้ก็มีอยู่สามทางด้วยกันทางกายทางวาจาและทางใจทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมคือความคิดการกระทำสามส่วนนี้จะทำให้เกิดผล ที่เราปรารถนาะหรือไม่ปรารถนาะขึ้นมาถ้าเราคิดดีพูดดีทดําดีผลดีก็คือความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีผลเสื่อมเสียก็จะตามมาความทุกข์ก็จะตามมาดังนั้นถ้าเราอยากจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ เราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีไม่คิดไม่ดีไม่พูดไม่ดีไม่ทำไม่ดีการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนี่เป็นอย่างไรเช่นคิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประวนีพูดโกรเสพสุรายาเมานี่เป็นการคิดที่ไม่ดีเพราะคิด ไม่ดีแล้วก็จะนำไปสู่การพูดการกระทาที่ไม่ดีพอพูดไปแล้วทำไปแล้วผลเสียหายก็จะตามมาเริ่มต้นก็จะเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจแล้วก็มีผลตามมาอีกคือถ้าไปทําบาปไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพ ย, กพย์ก็จะถูกจับเข้าคุกเข้าตาราง จับไปลงโทษได้แล้วตายไปก็ยังจะต้องไปเกิดในที่ไม่พึงปรารถนาคือไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไปตกนรกอันนี้คือผลที่จะตามมาแต่ถ้าเราไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปดไม่เสพสรายามาผลเสียต่างๆก็จะไม่ตามมาเราไม่ต้องติดคุกติดตารางไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่ต้องรับความรุ่มร้อนความทุกข์ความวุ่นวายใจนี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลเหตุก็มีหลายระดับที่พูดนี้ก็ระดับหนึ่ง ระดับเหตุดีคืออะไรเมื่อกี้พูดแต่เหตุไม่ดีเหตุดีก็คือการทำทานการช่วยเหลือผอู้การให้ความสุขแก่ผู้ด้วยการพูดก็ดีด้วยการกระทำก็ดีด้วยการคิดก็ดีอันนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขเช่นเรา มีความเมตตาความเมตตานี้เป็นความคิดที่ดีคิดเพื่อให้ความสุขแก่ผู้อื่นคิดเพื่อไม่ให้เกิดความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแก่ผู้อื่นเช่นเวลาผู้อื่นทำอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่สบายใจแทนที่จะไปคิดร้าย ไปตอบโต้ด้วยการพูดไม่ดีเช่นด่าว่าหรือการกระทำเช่นทุบตีทำร้ายร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้อื่นการกระทำแบบนี้ไม่ดีแต่ถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะระงับการกระทำเหล่านี้ได้เพราะเราจะให้อภัย การความผู้ที่มีเมตตานี้ต้องให้อภัยเป็นให้อภัยก็คือยกโทษไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อการกระทำที่ไม่ดีของผู้อื่นถ้าเราให้อภัยได้เราก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่อาฆาตพยาบาทเราก็จะไม่ไปทำร้ายผู้อื่นพอเราไม่ทำร้ายผู้อื่น ก็จะไม่มีใครมาทําร้ายเราแล้วการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่น mm. ก็จะทําให้ผู้อื่นนี้รักเรา mm. ชอบเรา mm. เป็นมิตรกับเรา mm. นี่คือเหตุที่ดี mm. ก็คือ mm. ให้มีความเมตตา mm. ให้มีความกรุณา และให้มีมุ่ิทตาเมตตาก็อย่างที่พูดกรุณาก็คือความสงสารเวลาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอที่จะให้ความช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ได้ก็ทำไปทำแล้วจะมีความสุขใจจะมีความอิ่มเอิบใจแล้วก็ เวลาผู้อื่นมีความสุขมีความเจริญก็ให้แสดงมุนีตาจิตคือแสดงความยินดีชื่นชมต่อความสุขความเจริญของผู้อื่นถ้าเราทำได้ใจของเราจะมีความสุขไปด้วยถ้าเราทำไม่ได้เช่นเราอิจชาริษยา เราก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยอิจฉาอย่างไรเขาก็สุขเขาก็เจริญของเขาเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความสุขความเจริญของผู้อื่นได้เพราะเป็นผลของการกระทําของเขาเขาผู้กระทําเท่านั้นที่จะเปลี่ยนผลได้เปลี่ยนจากความสุขความเจริญ มาเป็นความทุกข์ความเสื่อมเสียได้ต้องเป็นผู้กระทำเองผู้อื่นมาเปลี่ยนไม่ได้ผู้อื่นจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็อยู่ที่ว่ามีความชื่นชมยินดีหรือมีความอิจฉาหรือเสถ้ามีความชื่นชมยินดีก็จะมีความสุขด้วยถ้ามีความอิจฉาหรือเสี ก็จะมีความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ไม่ควรมีความอิจฉาหรือยสอยู่ในใจขอให้คิดว่าความดีความชื่อของคนอื่นนั้นเป็นผลที่เกิดจากเหตคือการกระทาทางกายทางวาจาทางใจของเขาเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเราไปทำไม่ดีไปขัดขวางความสุขความเจริญของผู้อื่นก็เท่ากับการสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้กับตัวเราเพราะเป็นการกระทำที่ไม่ดีนั่นเองเป็นเหตุไม่ดีดังนั้นขอให้เราพยายามสร้างเหตุที่ดีด้วยการมีความเมตตากรุณามุนิตา และให้เราสร้างระ ง, งับเหตุที่ไม่ดี ก, ก็คือการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติถอยนีพูดปดเศษสรายเามาให้เราถือศีลห้ากันให้ได้ถ้าถือศีลห้าได้แล้วก็จะได้อนิสงคือจะไม่ต้องไปเกิดในอบาย ถ้าเราไม่รักษาศีลถึงแม้ว่าเราจะทำบุญเราจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นทำทานแบ่งปันข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นการทำทานนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอาบายเหตุที่จะทำไม่ให้เราต้องไปเกิดในอาบาย ก็คือการไม่ทำบาปห้าข้อคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกไม่เสพสุรายาบาลดังนั้นถ้าเราอยากจะไปเกิดในสุกติหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราต้องรักษาศีลให้ได้ถ้ารักษาศีลได้เราอย่างน้อยที่สุดก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนแต่ถ้าเราได้ทําบุญได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยรักษาศีลด้วยเราก็จะได้ไปสวรรค์ได้ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้นั่งสมาธิได้ก็จะทําให้เราได้ไป พรหมโลกไปสวรรค์ชั้นพรมแล้วถ้าเราน้อมเอาความสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเกี่ยวกับเหตุของความทุกข์มาปฏิบัติได้คือละความละเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจละเหตุที่ทำให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะได้ไปพระนิพพาน นี่คือเหตุต่างๆที่เราจะต้องเป็นผู้กระทาเป็นผู้สร้างขึ้นมาผู้ไม่สามารถที่จะสร้างเหตุเหล่านี้เพื่อให้เกิดผลกับเราได้เหตุ <indung. S 1> ของใครเหตุของมันไม่มีการทำแทนกันได้ไม่อยากจะไปอบายก็ต้องรักษาศีลกัน ไม่ใช่ให้พระรักษาศีลให้กับเราแล้วเราก็ยังไปทำบายยังไปทำกรรมอยู่อย่างนี้ไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอาบายได้สิ่งที่จะป้องกันให้เราไม่ไปเกิดในอาบายก็คือการรักษาศีลห้านี่แล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องทำทานด้วย รักษาศีลด้วยแล้วถ้าอยากจะไปชั้นพมมโลกก็ต้องทำใจให้สงบเฟกนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆจเจริญสติควบคุมความคิดไม่ให้ใจลอยไปลอยมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจตั้งมั่นอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไป ใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเวลามานั่งหลับตาใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ความสงบของใจนี่แหละคือสวรรค์ชั้นผมความสุขที่ได้จากการทำทานจากการรักษาศีลนี้เป็นความสุขระดับเทวโลกเป็นความสุขของเทวดา แล้วถ้าสามารถยุติความอยากต่างๆได้ตรงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่สามารถให้ความสุขที่ถาวรกับเราได้ไม่อยากได้อะไรจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ใจก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปได้นี่คือเหตุ และผลที่พวกเราควรจะทำความรู้ให้เกิดขึ้นให้มีสติรู้อยู่กับเหตุรู้อยู่กับการกระทําของเราทุกเวลานาทีไม่ว่าเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็ปล่อยให้คิดได้พูดได้ทำได้เพราะ ไม่มีความเสียหายมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแต่ถ้าเราจะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายเราก็ต้องระงับทันทีถ้าเรามีสติเฝ้าดูอยู่ที่ความคิดของเราเราจะสามารถควบคุมการกระทําทางกายทางวาจาได้เพราะการกระทําทางกายทางวาจานี้ ต้องมีความคิดคือการกระทําทางใจเป็นผู้สั่งการเสียก่อนใจเป็นนายร่างกายกับวาจาเป็นบาวร่างกายจะพูดจะทําอะไรนี้ต้องรอรับคําสั่งจากใจก่อนใจก็คือความคิดถ้าเราคอยเฝ้าดูความคิดของเราหรือคอยควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดไปในทางที่ไม่ดี ใจของเราก็จะไม่สั่งให้ร่างกายให้วาจาของเรากระทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ดังนั้นถ้าเราฝึกจเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธได้ต่อไปเราจะเฝ้าดูความคิดของเราได้เวลาเราคิดไม่ดีเราจะรู้ทันทีพอรรู้เราก็ระงับความคิดที่ไม่ดีนั้นได้ทันที พอเราระ ง, งับได้เราก็ไม่ต้องไปทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องไปรับผลของสิ่งที่ไม่ดี mm hmm. เวลาที่เราคิดดีเราก็ปล่อยให้คิดไปเลย mm hmm. ให้พูดไปเลย mm hmm. ให้ทําไปเลย mm hmm. เช่นเวลาเราคิดด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความอุบเบกขาด้วยความมุนีตา ก็ปล่อยให้คิดไปได้เลยอยากจะทําบุญก็ทําเลยเช่นวันนี้อยากจะมาวัดมาทําบุญก็มาได้เลยแต่ถ้าอยากจะไปทําบาปก็ต้องหยุดทันทีอย่าไปทําเพราะว่าถ้าทําแล้วผลเสียจะตามมาถ้ายังไม่ทําก็จะไม่มีผลเสียตามมาอย่าไปแก้บาปแก้ไม่ได้บาปกรรมถ้าทาไปแล้ว ไม่ว่าจะไปทำพิธีอะไรต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะไปยับยั้งผลของการกระทาบาปได้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะไม่ทำให้ผลของการกระทาบาปเกิดขึ้นได้ก็คือต้องระ ง, งับที่เหตุคือต้องไม่ทำบาปเท่านั้นนี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลถ้าเรารู้แล้วชีวิตของเราจะ ดำเนินไปในทางที่จะพาให้เรามีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วนี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลเรื่องที่สามที่เราควรจะรู้ก็คือรู้ตนคำว่ารู้ตนก็คือให้รู้ว่าเราเป็นใคร เราเป็นหญิงหรือเป็นชายเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามเราเป็นคนสอนหรือเป็นคนเรียนเราเป็นนักบวชหรือเราเป็นคารวาสนี่คือสถานภาพต่างๆที่เราเป็นกันยูง ถ้าเราไม่ทำตัวเราให้เหมาะกับสถานภาพของเราเราก็จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้เพราะจะทำให้ผู้อื่นเขาไม่แน่ใจว่าเราเสียสติหรือไม่เราเป็นคนปกติหรือไม่ดังนั้นเราต้องศึกษาดูตัวเราอยู่เรื่อยๆว่าเราเป็นอะไร เป็นหญิงเราก็ต้องทำตัวให้เป็นหญิงเป็นชายก็ต้องทำตัวให้เป็นชายเป็นนักบวชก็ต้องทำตัวให้เป็นนักบวชเป็นคารวะญาติโยมก็ต้องทำตัวให้เป็นคารวสญาติโยมถ้าทำกลับกันแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้เช่นคารวสทำตัวเป็นนักบวชนักบวชทำตัวเป็นคารวะอย่างนี้ ก็จะไม่สามารถที่จะรักษาสถานภาพนั้นได้เช่นนักบวชไม่รักษาศีลทำผิดศีลไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกจับสึกไปถ้าไม่อยากจะถูกจับสึกก็ต้องรู้ฐานะของตนแล้วปฏิบัติฐานะของตนให้ถูกต้องนี่คือการรู้ตนส่วนการรู้บุคคลก็คือ ให้รู้ผู้คนอื่นว่าเขามีฐานะอะไรกับเราเขาสูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเราหรือเท่าเราเขามีพระคุณกับเราหรือเรามีบุญคุณกับเขาวิธีปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆจึงไม่เหมือนกันผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีพระคุณเราก็ต้องให้ความเคารพยกย่องนับถือ ผู้ที่อ่อนกว่าเราเราก็ให้ความเมตตาเอ็นดูให้ความกรุณาผู้ที่เท่ากับเราเราก็ให้ความเป็นมิตรกันนี่คือการรู้บุคคลบุคคลต่างๆ น, นี่เขามีสถานภาพไม่เหมือนกันเช่นเวลาเราเห็นพระเราก็ต้องให้ความเคารพเห็นคนห่มผ้าเหลืองเราก็ให้ความเคารพ ไม่ใช่จะไม่ให้ความเคารพหรือคนที่เราเห็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักบวชเราก็ไม่ต้องให้ความาวเคารพต้องรู้จักวิธีปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความเสียหายกับเราได้เช่นถ้าเราไม่มีความกตันอยู่กับผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย การไม่มีความกระตันอยู่นี้ก็จะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปแต่ถ้าเรามีความกระตัญอยู่รู้จักสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณและแตอบแทนบุญคุณตามกำลังตามความสามารถตามโอกาสที่จะทำได้เราก็จะเป็นคนดีเราก็จะเป็นคนที่มีคนชื่นชมยินดีไม่รังเกียจ นี่คือการรู้บุคคลแล้วเราก็ต้องรู้สังคมการรู้สังคมก็ให้รู้จากขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ในแต่ละสังคมมีไว้สังคมนี้ก็มีหลายระดับสังคมในบ้านสังคมในที่ทำงานที่โรงเรียนสังคมตามสถานที่ต่างๆที่เราไป หรือสังคมของของประเทศเราต้องศึกษาให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละสังคมและเราต้องปฏิบัติตามถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามขนบธรรมเนียมประเพณีเราก็จะไม่สามารถอยู่ในสังคมนั้นได้เช่นในสังคมของมนุษย์เหล่านี้ในประเทศเหล่านี้ เรามีกฎหมายควบคุมการกระทําของเราถ้าเรากระทําผิดกฎหมายเขาก็จะไม่ปล่อยให้เราอยู่ในสังคมนี้เขาก็จะย้ายเราให้ไปอยู่อีกสังคมหนึ่งคือไปอยู่ในสังคมของผู้ที่ทำผิดกฎหมายก็คือไปอยู่ในคุกในตารางถ้าเราไม่อยากจะไปติดคุกติดตารางเราก็ต้องเคารพ กฎระเบียบกฎหมายต่างๆของแต่ละสังคมแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมนั้นได้นี่คือการรู้จักสังคมข้อที่6ก็คือการรู้การละเทสาการรู้การละเทศาก็ให้รูกร้การเวลาและสถานที่ที่เราไปว่าสถานที่นั้นกาลังมีการกระทำอะไรกันอยู่ เราต้องสังเกตแล้วพยายามทำตามเหตุการณ์ที่เขาทำกันอยู่เช่นเวลาเรามาวัดเวลามีการประกอบพิธีกรรมเช่นขอสี่งถวายสังฆทานหรือการฟังเทศฟังธรรมเราก็ไม่ควรทำกิจกรรมอย่างอื่นถึงแม้เราอยากจะใส่บาตรแต่ยังไม่ใช่เวลา เราก็ไม่ควรที่จะมาใส่บาตเราควรจะนั่งทาพิธีกรรมไปก่อนกำลังขอศีลก็ขอศีลกันไปกาลังฟังเทศฟังธรรมก็ฟังเทศกันไปกำลังรับพรก็รับพรกันไปไว้ทาให้เสร็จกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไปก่อนแล้วถ้าอยากจะใส่บาตถาวายของก็เข้ามาทีหลังนี่คือเรื่องของ ตัวอย่างของการรู้จักกาลเทศะรู้จักสถานที่รู้จักเวลาเวลาเราไปงานงานมงคลเราก็ต้องแต่งกายแบบหนึ่งกิริยาอาการก็เป็นนักษณะหนึ่งเวลาเราไปงานงานศพงานไม่มงคลเราก็ต้องการแต่งกายเป็นอีกแบบหนึ่งกิริยาการการแสดงออกของเรา ก็ต้องเป็นเอกอย่างเนยนี่คือตัวอย่างของการรู้จักกาละเทศะควรจะทำตัวของเราไม่ให้ไปทำให้เกิดความวุ่นวายเช่นเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ควรจะนั่งเฉยๆตั้งใจฟังไม่ควรจะลุกเดินไปเดินมาหรือ ทำนั่นทำนี่หรือคุยกันนี่คือเรื่องของการรู้จักกาลเทศะถ้าเรารู้จักกาลเทศะเราก็จะเป็นบุคคลที่ไม่มีใครรังเกียจถ้าเราไม่รู้จักกาลเทศะไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะมักจะไปทำให้วงแตกนั่นเองนี่คือเรื่องของการรู้จักกาลเทศะ และประการสุดท้ายก็คือการรู้ประมาณคำว่ารู้ประมาณก็ให้รู้จักความพอดีโดยเฉพาะในเรื่องของการดำรงชีพบริโภคปัจจัยสีปัจจัยสีนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตการจะดำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้ต้องรู้จักความพอดี คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้ามากเกินไปก็จะเป็นโทษด้เช่นรับประทานอาหารมากเกินไปดื่มเครื่องดื่มต่างๆมากเกินไปก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้นั้นถ้ารับประทานน้อยเกินไปดื่มน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเราต้องรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่อาหารพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปที่อยู่อาศัยพอประมาณคือพอหลบแดดหลบฝนหลบภัยอันตรายต่างๆไ ด, ด้ก็พอไม่จาเป็นจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยระดับล้านขึ้นไปถ้าไม่มีฐานะที่จะมีได้ก็อย่าไป วุ่นวายไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะว่าอยู่บ้านระดับเช่าบ้านเขาอยู่กับอยู่บ้านราคาร้อยล้านก็เหมือนกันทําหน้าที่ได้เหมือนกันคือปกป้องรักษาร่างกายชีวิตของเราให้อยู่ได้อย่างปลอดภัยเหมือนกันดัง น, นั้นเราอย่าไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตัวเราด้วยการมีความมากๆอยากได้มากๆ ไม่เป็นประโยชน์กับใจมีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้เปล่าป่าแต่ถ้ารู้จักประมาณรู้จักความพอดีชีวิตก็จะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทุกข์กับเรื่องการแสวงหาปัจจัยสี่เกินกำลังที่เราจะหาได้นี่คือเรื่องของการรู้จักประมาณรู้จักความพอดีถ้าเรามีความรู้ทั้งเจข้อนี้ แล้วสามารถปฏิบัติตามได้ชีวิตของเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจจะมีแต่ความสุขมีความร่มเย็นมีแต่ความสบายใจไปจนวันตายและตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติได้ไปสู่พระนิพพานในที่สุดจึงขอให้เราพยายามศึกษาความรู้ทั้งเจ็ดข้อนี้ แล้วนำเอาไปปฏิบัติกับชีวิตของเราคือให้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้การละเทศะและรู้ประมาณแล้วรับรองได้ว่าผลที่เราต้องการคือความสุขและความเจริญทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายประล้งนี้จะเป็นผล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 โดยทั่วหน้ากันเธอ